เ ห, เหมือนตามืมดมัวที่มองไม่เห็นว่าใครคนนั้นเป็นคนสำคัญก็ทั้งทั้งที่คุณเคยกันเ <ใน S 2> จอกัน ท, ทุกวันฉันก็ยังมองค้ามเธอไป ฉันฉันในวันนี้ที่เธอจากลาเพงมามองเห็นคุณค่าของเธอว่าจะรู้หัวใจตัวเองก็ได้แต่พ้ไม่มีเธออยู่เคียงข้างใด้ เธอได้ยินสักครั้งไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนให้ฉันบอกกับเธอได้ไหมว่าฉันไม่มีเธอแล้วหัวใจว่างเปล่าตื่นขึ้นมาลืมตาไม่เห็นไม่เจออะไรทั้งนั้นฉันต้องอยู่ลำพังเดียวได้ชอกช้ำเหลือเพียงคำถามที่ฉันอยากรู้ ไม่ไหมจะบอกว่ารฉันหลือเพียงแค่เงาหลือเพียงความเงาเจ็บอวดรวดเร้าและทรมาอย่าจะมุนแค่นาฬิกาลับไปวันนั้น อยากบอกเธอว่าฉันรักเธออยากให้เธอได้ยินสักครั้งไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนให้ฉันบอกกับเธอได้ไหมว่าฉันไม่มีเธอแล้วว่าใจว่างเปล่าตื่นขึ้นมาลืมตาไม่เห็นไม่เจออะไรทั้งนั้น ทางเดียวได้ชอ็อกช้ำหรือเพียงคำถามที่ฉันอยากรู้ใช่ ไ, ไหมเธอบอกว่า